ภาษารีบทท่านนิเทศอธิบายว่า eso. บุคคลผู้มีกิเลสเครื่องเข้าถึงย่อมเข้าถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลายพวกที่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงเนี่ยนะก็คือถึงด้วยอำนาจตันหาถึงด้วยอำนาจทิฏฐิใหม่ๆเรียกว่าพวกใจถึงเนี่ยนะใจถึงด้วยอำนาจตันหาใจถึงด้วยอำนาจทิฏฐิปราณนั้นบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตันหาสละคืนกิเลสเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิเพราะเป็นผู้ บุคคลนั้นน่ะไม่ละกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตันหาไม่สละคืนกิเลสเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิเพราะเป็นผู <HHH> ้ไม่ละกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตันหาเพราะเป็นผู้ไม่สละคืนกิเลสเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิจึงเข้าถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลายว่าคือคนที่ยังเข้าถึงนะเข้าถึงด้วยหน้าตันหาทิฏฐิอย่างนี้นะก็ถูกคนอื่นเขาตําหนิว่าเป็นผู้กําหนัดเป็นผู้ขัดเครื่องเป็นผู้หลง เป็นผู้ผูกพันถือมั่นถึงความฟุ้งซ่านความไม่ตกลงหรือโดยเรี่ยวแรงนะนะกำหนัดก็คือราคะขัดเคลื่อนก็โทสะล่มหลงก็โมหะผูกพันก็มานะถือมั่นก็ทิฏฐิฟุ้งซ่านก็อุทะจะไม่ตกลงใจก็วิจิกิจฉาเรี่ยวแรงก็อนุสัยกิเลสเครื่องปรุงแต่งเหล่านั้นอันบุคคลเหล่านั้นไม่ละแล้วเพราะเป็นผู้ไม่ละกิเลสเครื่องปรุงแต่งจึงเข้าถึงวาทะติเตียนโดยคติคือเข้าถึง เข้าไปถึงรับถือมั่นวาทติเตียนว่านะคือยอมรับหมดนะสําหรับคนที่ไม่มีกิเลสอ่ะเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยใครจะมาว่าเป็นสัตว์เกิดในนรกเนี่ยนะเขาก็พูดถูกนะถามมาทำไมคุณพูดถูกเพราะปัจจัยแห่งการเกิดในนรกเรายัางไม่ได้ตัดเลยใช่ไหมหรือว่าเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตติวิสัยเกิดในมนุษย์เกิดในเทวดาเนี่ยถ้าเขามาว่าเราเนี่ยไม่ใช่เขาว่าผิดอ่ะ ถามว่าทำไมเขาจึงว่าไม่ผิดเพราะว่าเชื้อเชื้อเนี่ยนะเชื้อที่ไปไปไปเป็นแบบนั้นยังมีอยู่เหมือนเขาว่าเออแกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นมะเร็งมีนะอย่างงี้ยนะเขว่าเขาถูกอะ่ะถ้ายังมีกายเนี่ยเกิดในยุคเนี่เชื้อแห่งมะเร็งก็มีอยู่ใช่ไหมปัจจัยที่จะทําให้เป็นโรคภัยต่างๆก็มีอยู่อะ่ะเพราะอะไรเพราะมีร่างกายฉันใดพวกที่ยังมีกิเลสก็ฉันนั้นนั่นแหละนะเขาจะกล่าวว่าเออเนี่ย เขาสำนวนว่าเขาจะดาวว่าตกนรกอ่ะนะเออมันก็จะตกอย่างเขาว่าจริงๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งนรกก็ทําไว้ถ้าเขาบอกว่าเกิดเป็นเดรัจฉานเอา้ากรรมเพื่อเป็นเหตุเดรัจฉานก็ทําไว้อ่ะถ้าบอกเกิดเป็นเปรตนะเอา้ากรรมที่ไ ป, ไปเพื่อเปรตก็ทําไว้อ่ะบอกเขาจะเกิดเป็นมนุษย์นะเอา้าบุญที่ทําเพื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ทําไว้อ่ะเกิดเป็นเทวดาเอา้าบุญที่ทําไปเพื่อเทวดาก็ทําเอาไว้ดังนั้นคนมีกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะว่ายังไงก็ถูกหมดอะ เพราะอะไรเพราะว่าพวกเรล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรู ป, รรรปเป็นสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือวันเนวสัญญานาสัญญาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องเข้าถึงย่อมถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลายคือเขาตําหนิดได้นะเขาว่าเอาได้เหมือนกับอะไรไอ้คนนี้มันไม่พ้นบ่อนหรอกอย่างเงี้ยนะก็นักเลงการพ น, นันมันจะไปพ้นบ่อนได้ยังไงไอ้นี้เดี๋ยวมันก็เข้าวงยาอีกแล้วเนี่ยนะถ้าคนนี้ติดยาอย่างเงี้ย มันเขาจะว่ายังไงก็ว่าถูกกันนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคําว่าใครๆจะพึงกล่าวติเตียนบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงด้วยกิเลสอะไรอย่างไรเล่าะนะถ้าเป็นผ้าหันแหละจะเอาอะไรมาติเตียนท่านเนี่ยนะจะเอาอะไรมาติเตียนท่านจะเอากิเลสตัวไหนมาติเตียนท่านความว่ากิเลสเครื่องเข้าถึงทั้งสองคือตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะ พาหันนั้นะละเครื่องเข้าถึงคือตันหาสละคืนกิเลสเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิเพราะเป็นผู้ละกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตันหาเพราะสละคืนเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิใครๆจะพึงกล่าวติเตียนบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทจักกุกกุจะวิจิกิจฉาอนุใสอะไรเล่าเนีนะ คือใครจะไปว่าท่านเป็นผู้กำหนับนะนะเป็นผู้ขัดเครื่องเป็นผู้ลุ่มหลงผูกพันถือมั่นฟุ้งซ่านนะไม่ตกลงหรือว่าโดยเรี่ยวแรงเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีราคะโทสะโมหะทิฏฐิอุทะจาวิจิกิจชาอนุสัยซากอย่างกิเลสเครื่องปรุงแต่งอันบุคคล น, นั้นอนะละแล้วคือพระอรหันเนี่ยละแล้ว เพราะเป็นผู้ละกิเลสเครื่องปรุงแต่งแล้วใครใครจะพึงกล่าวว่าคติของบุคคลเหล่านั้นอะไปด้วยกิเลสอะไรเล่าเนี่ยนะคำนวนว่าจะไปว่าอย่างพระพุทธเจ้าของเรานะใครจะไปว่าพระองค์อยู่ในนรกได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปนรกอเดราชานปิติวิสัยมนุษย์หรือเทวดาไม่มีแล้วเนี่ยนะอันใครจะไปตามหาพระพุทธเจ้าที่เทวดาก็หาไม่พบหรอกนั้น หรือว่ า, วาสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญานาสัญญาเนี่ยในพบทั้งปวงเน่หาไม่พบอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเครื่องเข้าถึงเนี่ยนะท่านตัดขาดแล้วบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีการณะเครื่องกล่าวบอกพูดแสดงแถลงได้คือเพราะฉะนั้นใครๆจึงชื่อว่า จะพึงกล่าวติเตียนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงด้วยกิเลสอย่างไรเล่าเนี่ยนะนะจะมีกิเลสอะไรนํานท่านไปสู่ภพต่างๆเนี่ยนะคำว่าเพราะทิฏฐิคือถือว่ามีตนเนี่ยนะคืออัตตากับทิฏฐิถือว่านิรัตตาเนี่ยไม่มีตนเนี่ยอัตตาก็คืออุเฉททิฏฐินิรัตตาก็สัตต์อัตตาก็คืออุเฉททิฏฐิอัตตาเนี่ยนะมีตนเนี่ยคือสัตตทิฏฐิ ไม่มีตนนิรัตาก็คืออุเฉททิฐิย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้น น, นะถ้าไม่มีตัณหาไม่มีททิฐิซะอย่างเดียวเนี่ยนะแต่ความถือด้วยอำนาจททิฐิคืออุเฉททิฐิหรือสัสตททิฐิจะไม่มีเลยมียที่บายว่าททิฐิถือว่ามีตนคืออัตตาเนี่ยนะได้แก่สัสตททิติก็ย่อมไม่มีททิฐิถือว่าไม่มีตนได้แก่อุเฉททิฐิก็ย่อมไม่มี ที่ติถือว่ามีตนคือสิ่งที่ถือย่อมไม่มีทิ่ติว่าไม่มีตนคือสิ่งที่จะพึงปล่อยก็ย่อมไม่มีผู้ใดมีสิ่งที่ถือผู้นั้นชื่อว่าย่อมมีสิ่งที่พึงปล่อยผู้ใดมีสิ่งที่พึงปล่อยผู้นั้นชื่อว่ามีสิ่งที่พึงถือเนี่ยนะก็คนเนี่ยปกติปุตชชนทั่วๆไปนะก็ไม่เข้าอุเชททิ่ติก็ สัตตติทิปล่อยอุเฉตถือสัตตะปล่อยสัสตะถืออุเฉตเนี่ยนะอันคนที่ปล่อยนั่นแหละจึงมีถือคนที่ถือนั่นแหละจึงปล่อยเหมือนพราะป็นพระอรหันต์เนี่ยก้าวล่วงความถือและความปล่อยเพราะท่านละทั้งความเจริญและความเสื่อมเสียแล้วละทั้งอุเฉตทิทิละสัตตตทิทิละทั้งกรรมที่เป็นเหตุเกิดในภพต่างๆเนี่ยนะเพรปะนั้นพระอรหันต์นั้นอ่ะอยู่จบพรหมจรรย์เป็นเครื่องอยู่นะประพฤติธรรมะเป็นเครื่องประพฤติแล้ว ซึ่งในนิเทศเดียวกันเนี่ยนะในกา마สุตตานิเทศกล่าวถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ที่นั่นแล้วนิรัตตานาตาไม่เหมือนนิรัตต์เนี่ยมันเป็น มันเป็นอุชเช ท, ท, ทิฏฐินิรัตาเนี่ยนะเป็นอุชเชท ท, ทิฏฐิมันเป็นทิฐิอนัตตาเนี่ยคือว่าโดยองครร์ทำนะไอ้นิรัตาเนี่ยมันเป็นชื่อของเจตสิกคือทิฐิเจตสิกอะส่วนอนัตตาเนี่ยมันคลุมธรรมะทั้งหมดเลยมีเครื่องประพฤติอยู่จบแล้ว ทันในหน้า4ี่สี่สามเนี่ยนะที่บอกว่าพระอรหันต์นั้นอยู่จบพรหมจรรย์เครื่องอยู่ประพฤตธรรมะเครื่องประพฤติแล้วเนี่ยนะทั้นข้อความเต็มเนี่ยมีอยู่ในหน้าสามสิบเอ็ดวาพระอรหันต์นั้นอยู่จบแล้วประพฤติจารณะมีทางไกลอันถึงแล้วมีทิศอันถึงแล้วมีที่สุดอันถึงแล้วมีพรหมจรรย์อันรักษาแล้วถึงทิฐิอันอุดมแล้ว มีมักอันเจริญแล้วนั่นแหละมีกิเลสอันละแล้วมีการแทงตลอดมิได้กำเริบมีนิโรธอันทำให้แจ้งแล้วมีทุกข์อันกำหนดรู้แล้วม <iggles> ีสมุทัยอันละแล้วมีนิโรธอันทำให้แจ้งแล้วมีมักอันเจริญแล้วมีธรรมะที่ควรรู้ยิ่งอันได้รู้ยิ่งแล้วมีธรรมะที่ควรกำหนดรู้อันกำหนดรู้แล้วมีธรรมะที่ควรละอันละแล้วมีธรรมะที่ควรเจริญอันเจริญแล้ว มีธรรมะที่ควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งแล้วนะเน้นมากเลยนะอริยสัจเนี่ยมันพระอารหันต์ก็คือผู้ที่แทงตลอดอริยสัจบรรลุอริยสัจทํากิจในอริยสัจอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แบบเนี่ยนะมันเน้นมากโดยเฉพาะมรรคสัจเนี่ยคือพรหมจรรย์พรหมจรรย์มันเมื่อผู้ที่ประพฤติธรหมจรรย์อย่างนี้ก็จะถึงทิฏฐิอุดมทิฏฐิที่อุดมสูงสุดก็คือมรรคทิฏฐิโดยเฉพาะอรหัตตมรรคเนี่ยนะ ท่านท่านก็เจริญมรรคละกิเลสแทงตลอดอรหัตผลมินินิพานเนี่ยทำให้แจ้งทุกขธทําปริญญาสมุทัยก็ละนิโรธก็ทําให้แจ้งมรรคก็เจริญ อ, อันอภินญยธรรมปริญญายธรรมปหาตปธรรมสัจจิกาตประธรรมหรือว่าภาเวตปธรรมเนี่ยท่านทำํำกิจกับธรรมะเหล่านั้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะ ข้ า, ารหนั้นมีอวิชชาเป็นลิ่มสลักถอนเสียแล้วมีกรรมเป็นครูอันกาจัดเสียแล้วมีตันหาที่เป็นเหมือนเสาระเนียรอันถอนเสียแล้วไม่มีสังโยตเป็นบานประตูเป็นผู้ไกลาจากกิเลสอันเป็นค่าศึกมีมา n นะอันเป็นธงให้ตกแล้วมีภาระอันปรงเสียแล้วมีโยคากิเลสไม่ได้เป็นเครื่องข้องมีองค์ห้าละได้แล้วประกอบด้วยองค์หกมีสติ เป็นธรรมะเครื่องรักษาอย่างเอกมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยสี่มีทิฏฐิสั จ, จะเฉพาะอย่างอัลลาเสียแล้วมีการแสวงหาอันชอบไม่ย่อยหย่อนประเสริฐมีความดำริไม่ได้ขุนมัวมีกายยะสังขารอันระงรับแล้วมีจิตหลุดพ้นแล้วมีปัญญาเครื่องหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีความบริบูรณ์มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นอุดมบรุษเป็นบรมบรุษ เป็นผู้บรรลุปรมัาทัศจะเนี่ยนะเป็นผู้บรรลุพระนิพพานนะนะพระอรหันต์นั้นไม่ได้ก่อม่ได้กําจัดกําจัดแล้วตั้งอยู่คือท่านไม่ต้องเพิ่มวิบากเพราะกุศลอกุศลเพราะว่าท่านเนี่ยตั้งอยู่ในอรหันตผลแล้วไม่ได้ละไม่ได้ถือมั่นคือไม่ต้องละกิเลสอีกไม่ได้ถือมั่นด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิเพราะว่าท่านละได้หมดแล้วจึงตั้งอยู่ม่ได้เย็บมิได้ยกเย็บแล้วตั้งอยู่นะไม่ได้ดับ มิได้ให้ลุกดับแล้วจึงตั้งอยู่ดำรงอยู่เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยศีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศ น, นขันซึ่งเป็นอเศขะแทงตลอดอริยสัจแล้วตั้งอยู่ก้าวล่วงตันหาอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ดับไฟกิเลสแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยไม่ต้องไปรอบยึดถือเอายอดแล้วตั้งอยู่ ตั้งอยู่ด้วยเป็นผู้ซ่องเสพปีมุตดำรงอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันบริสุทธิ์ดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดำรงอยู่ในความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างด้วยตันหาทิฐิมานะอันบริสุทธิ์ตั้งอยู่เพราะเป็นผู้หลุดพ้นตั้งอยู่เพราะเป็นผู้สันโดษตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบคือที่สุดอนะ ข, ขันของท่านก็เป็นขันที่สุดาธาตุที่สุดอายตนะที่สุด คติที่สุดอุบัติที่สุดปฏิสนธิสุดท้ายว่างั้นปฏิสนธิที่สุดเนี่ยนะพบที่สุดสังสาระที่สุดวัตตะที่สุดนั้นตั้งอยู่ในพบอันมีในที่สุดมีสรีระอันตั้งอยู่ในที่สุดแล้วก็ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดดังคาถาประพันธ์ที่ว่าพระขีณาสพนั้นมีพบนี้เป็นที่สุดมีสรีระนี้เป็นทีหลังมิได้มีชาติมรณะสงสารและพบใหม่เนี่ยนะ อันอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าผู้ที่ไม่มีทั้งอัตตาไม่มีทิฏฐิที่ถือว่าอัตตาไม่มีทิฏฐิที่ถือว่านิรัตาคือไม่ได้ถือด้วยสัจจะทิฏฐิไม่ได้ถือด้วยอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นจึงไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงคําว่าเพราะบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้นสลัดเสียแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในโลกนี้แหละเนี่ยนะ คือทิฐิหกนี่นะอันบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงด้วยตัณหาทิฐินั้นอะ่ะละตัดขาดสงบระงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นได้เผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานอันบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้นสลัดแล้วคือกําจัดกําจัดด้วยดีกําจัดออกละบันเทาทําให้สิน้นไตให้ถึงความไม่มีซึ่งทิฐิทั้งปวงในโลกนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้นอะ่ะ สลัดเสียแล้วซึ่งที่ถีทั้งปวงในโลกนี้นี่แหละนี่นะผลสรุปคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องเข้าถึงย่อมเข้าถึงวาทะติเตียนในธรรมะทั้งหลายนนะคือพวกที่ยังมีตัณหามีที่ถี่นนะเขาติเตียนว่าจะไปเกิดที่ไหน ก, ก็อย่างเขาว่าหมดนั่นแหละใครๆจะพึงกล่าวติเตียนผู้บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงด้วยกิเลสอะไรอย่างไรเล่า ถ้าเป็นพาะอาหารก็ใครก็ว่าอะไรท่านไม่ได้แล้วนะเพราะท่านไม่มีสิ่งอย่างที่คนอื่นเขาว่าเพราะไอสัตตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิทิฏฐิที่ถือว่ามีตนทิฏฐิว่าไม่มีตนเนี่ยนะอัตตากับนิราตาที่เป็นอุเฉททิฏฐิสัตตทิฏฐิไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้นพราพาะอาหารไม่มีทั้งอุเฉททิฏฐิไม่มีทั้งสัตตทิฏฐิสลัดเสียแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวง ที่ท่านสลัดทิฐิได้ก็เพราะอะไรเพราะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะนการบรรลุอริยสัจเนี่ยทำให้สลัดออกจากมิจฉาทิฐิโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านสลัดทิฐิละทิฐิในโลกนี้นี่แหละอันท่านก็เลยทรงเป็นผู้ที่ทรงร่างกายไว้เป็นร่างกายอันสุดท้ายนะอันนี้ก็เป็นข้อความในทุตตกะสุตตนิเทศที่สามเนี่ยนะข้อความก็มีจบอยู่ด้วยเท่านี้นั้นก็กล่าวถึงพวก ทิฏฐิทั้งหลายเจ้าลัทธิทั้งหลายแต่นะว่ากลุ่มเดียร์ธีทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ที่มากไปด้วยอำนาจของทิฐิโดยเฉพาะทิฐิ62เนี่ยนะไม่เข้าทิฐิใดก็ทิฐิหนึ่งนั่นแหละทีนี้เมื่อมีทิฐิอย่างนั้นแล้วก็ยืนยันว่าไอ้ทิฐิตัวเองเนี่ยมันแน่นอนเนี่ยนะมั่นคงแน่นอนมั่นคงแล้วก็ยืดถือในทิฐิปฏิเสธทิฐิอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยนะ ทนี้ไอ้ิฏฐิเหล่านั้นมันก็มีอานิสงส์มีกำไรยอยู่อานิสงส์ก็แปลงกนะอานิสงส์ชาตินี้เห็นเห็นก็คือมีลาบสการะคนนับหนะ้าถือตามีชื่อเสียงเนี่ยนะได้ปัจจัยสี่ได้ทุกอย่างนะที่ที่คนเอามาประเคนให้มายกให้ด้วยอํานาจทิฐิอันนั้นอนะแล้วก็เข้าใจว่าทิฐิอันนั้นเนี่ยจะพาไปสู่สุขติโลกสวรรค์จะทําให้เกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือดับกิเลสได้แต่จริงๆมันไม่ใช่เขาสําคัญไปเองเนี่ยนะ นําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยทิฐิทั้งหลายอย่างพวกเดรัีเนี่ยพระพุทธเจ้าละได้หมดแล้วเนี่ยนะผ้าหานทั้งหลายท่านละมิจฉาทิฐิเหล่านั้นได้หมดแล้วถามว่าทิฐิเหล่านั้นเนี่ยละได้อย่างไรก็ละได้ด้วยการเห็นอริยสัจเนี่ยนะการละสะกายทิฐิเนี่ยละได้ด้วยการเห็นทุกสัจการละสัตสัททิฐิด้วยการเห็นนิโรสัรจะการละ อุดเชะทิฐิด้วยการเห็นทุกขสัตว์แต่ว่าการจะถอนทิฐิได้โดยประการทั้งปวงก็คือการเห็นมัคสัตว์เนี่ยนะหรือนิโรสัจจะนั่นเองวันผู้ที่บรรลุอริยสัจจึงถอนทิฐิได้โดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นพูดถึงทิฐิที่ชั่วนะที่เกิดขึ้นในโลกจริงแล้วมันเป็นทางแห่งทางขวางสวรรค์ขวางนิพพานขวางสารพัดนั่นแหละไอ้ตัวทิฐิตัวนั้นขวางแม้กระทั่งบุญด้วยซ้ำไป